ว่ากันไปกี่หลักกี่หัวใจในที่สุดก็หลักใหญ่เดียวกันทีนี้ลองเทียบหลักอื่นอีกเมื่อกี้บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งในการก่อนและบัดนี้เราบัญญัติแต่ทุกขและความดับทุกขเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการพูดถึงอริยาาสัจสี่นั่นเองคืออริยาาสัจสี่แบบสั้นที่สุดย่อเป็นสองคู่คือทุก และสมุทัยเหตุแห่งทุกข์อันนี้หนึ่งคู่นิโรธความดับทุกข์และมรรคทางให้ถึงความดับทุกข์ก็หนึ่งคู่รวมแล้วมีสองคู่เพราะฉะนั้นเวลาพูดสั้นๆก็บอกว่าเรื่องทุกข์พร้อมทั้งเหตุของมันอยู่ในวงเล็บละไว้ในฐานเข้าใจอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องความดับทุกข์ ในวงเล็บพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขอย่างหนึ่งตกลงพูดง่า ย, ายอริยสัจสีก็ย่อเป็นสองฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทั้งในการก่อนและบัดนี้เราบัญญัติแต่ทุกขและความดับทุกข์ก็อันเดียวกันคืออริยสัจสีนั่นเองไม่ได้ไปไหนยังมีอีกเมื่อกี้เลืมพูดไป คือเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอนจะออกประกาศพระพุทธศาสนาพระองค์ได้ทรงพระดำริซึ่งมีความตอนนี้ในพระไตรปิฎกบอกว่าอธิคโตโคมายาอย่างธรรมโมธรรมะที่เราบรรลุแล้วนี้ธุรนุโภโทโเป็นของที่รู้ตามได้ยากกล่าวคือหนึ่งอิทธปิยตาปฏิจจสมุบาท 2. นิพพานแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าต่อไปว่าพระองค์ทรงดําริว่ามูสัตว์ทั้งหลายมัวหลงรเริงกันอยู่ในสิ่งที่ล่อให้ติดยากที่จะเข้าใจหลักการทั้งสองนี้จึงน้องพระไทยไปในทางที่จะไม่ทรงสั่งสอนถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นชัดตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะที่เราได้บรรลุคืออิทัปปจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน ถ้าจัดตรงนี้ก็บอกได้ว่านี่ก็คือหัวใจพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ถ้าเราโยงดูก็บอกได้ว่าสาระไม่ไปไหนก็แท้ก็อันเดียวกันนั่นแหละอิทัปปัจยตาปฏิจสมุปบาทคืออะไรคือหลักความจริงของธรรมชาติในแง่ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าความทุกข์ คือจับที่ตัวกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปของการที่มีทุกข์มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นฉะนั้นอิทธปัจิยตาปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องของทุกข์และสมุทยัยแต่แทนที่จะจับที่ปรากฏการคือทุกข์ก็ไปจับที่กระบวนการของกฎธรรมชาติเริ่มที่ข้อสมุทยัยดูเหตุปัจจัยที่เป็นไปจนปรากฏทุกข์เป็นผลขึ้นจึงรวมทั้งข้อทุกข์ ละสมุดังจะเห็นได้ว่าเวลาตรัสปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าทรงสรุปว่าเอวเมตัสะเกวาลัตตทุกขคันทัสะสมุทโยโหติแปลว่าสมุทัยคือการเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์จึงมีด้วยประการชะนี้หมายความว่า จากความเป็นไปตามกระบวนการของกฎธรรมชาตินี้จึงเกิดมีทุกข์ขึ้นเพราะฉะนั้นข้อว่าอิทัปปั จ, จยตาปฏิจจะสมุปบาทก็คือตรัสเรื่องทุกข์และสมุ ท, ทยัยจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ตรัสไว้คือนิพพานซึ่งก็คือข้อนิโรธซึ่งเราจะต้องบรรลุถึงด้วยการปฏิบัติตามมรรค การที่จะบรรลุนิพพานที่เป็นจุดหมายก็เรียกร้องหรือเป็นเงื่อนไขอยู่ในตัวให้ต้องปฏิบัติตามมักดังนั้นการตรัสถึงนิพพานคือข้อนิโรธก็โยงเอามักเข้ามาพ่วงไว้ด้วยพูดให้ลึกลงไปข้อแรกอิทัปปัจจตาปฏิจจะสมุปบาทก็คือสังคตาธรรมพร้อมทั้งกระบวนความเป็นไปของมันทั้งหมด ส่วนข้อหลังนิพพานก็คืออสังคตธรรมที่พ้นไปจากสังคตธรรมนั้นในพุทธพจน์นี้จับที่ตัวความจริงของกฎธรรมชาติกับสภาวะธรรมสุดยอดที่ต้องการจึงเอาอิทพปัชยตาที่เรียกกันง่ายๆว่ากฎปฏิจจสมุปบาทกับเรื่องนิพพานมาเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา แต่สองอย่างนี้เวลาขยายออกมาก็เป็นอริยสัจนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ไปไหนทิศแท้ก็อันเดียวกันอริยสัจนั้นเป็นวิธีพูดหรือวิธีแสดงกฎธรรมชาติในแง่ที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งมนุษย์จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือแก้ปัญหาชีวิตของตน พระพุทธเจ้าตรัสวางไว้ในรูปที่ใช้การได้เรียกว่าทุกสมุทยัยนิโรธมักแต่ตัวความจริงในกฎธรรมชาติก็คืออิทัปปัจจตาปฏิจเจสมุบาทและสภาวะที่เป็นจุดหมายคือนิพพานก็มีเท่านี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไม่ไปไหน ส่วนอีกหลักหนึ่งคือสเพธมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคือเราไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นไว้ได้อันนี้ก็เป็นการสรุปหัวใจของการปฏิบัติที่โยงไปหาตัวความจริงของธรรมชาติคือสภาวะธรรมว่าสิ่งทั้งหลายหรือปรากฏการทั้งหลายทั้งปวงหรือสิ่งที่แวดล้อมชีวิตของเรา หรืออะไรก็ตามที่เราเกี่ยวข้องนี้มันไม่ได้อยู่ใต้อำนาจความปรารถนาของเราแต่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือมีอยู่ดำรงอยู่ตามสภาวะของมันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นมันได้เราจะต้องวางใจปฏิบัติต่อมันให้ถูก หลักนี้ก็เป็นการโยงธรรมดาธรรมชาติหรือความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายมาสู่ท่าทีปฏิบัติของมนุษย์ต่อสิ่งเหล่านั้นซึ่งรวมสาระสำคัญว่าเราต้องรู้ทันว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นไปตามใจปรารถนาของเรานะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราจะไปยึดมั่นถือมั่นตามใจของเราไม่ได้แต่ต้องปฏิบัติด้วยปัญญาคือด้วยความรู้เท่าทันและให้ตรงตามเหตุปัจจัย เพราะฉะนั้นหลักนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งของการประมวลวิธีปฏิบัติทั้งหมดต่อสิ่งทั้งหลายซึ่งก็เป็นพุทธพจน์เหมือนกันเรื่องมีอยู่ว่าพระสาวกคือพระมหาโมคลานะทูลถามพระองค์ว่าสังคิตเตนะด้วยวิธีการอย่างย่นย่อทำอย่างไรภิกษกุจะเป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วโดยความสิ้นไปแห่งตัณหา หมายความว่าโดยย่อทาอย่างไรภิกษุจะเป็นผู้บรรลุนิพพานพระพุทธเจ้าก็ตรัสพุทธพจนี้ขึ้นมาว่าภิกษุได้สดับหลักการที่ว่าสัพเพ ธ, ธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมะทั้งปวงไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้เพราะเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา เมื่อรู้เข้าใจความจริงของมันก็จะไม่ยึดติดถือมั่นสิ่งใดในโลกจึงไม่ร่านรนเร่าร้อนก็จะสงบเย็นนิพพานรู้ว่าธรรมะทั้งปวงไม่อาจยึดมั่นได้ก็คือรู้สภาวะของมันที่เป็นทุกข์ความยึดมั่นที่จะต้องละนั้นคือสมุทยัยปัญญาที่ทาให้ละความยึดมั่นนั้นเสียได้ ก็เป็นมัจเมื่อลกความยึดมั่นได้ก็สงบเย็นนิพพานคือข้อนิโรธหลักนี้นับว่าเป็นจุดยอดของการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายในขั้นที่ถึงปัญญาเลยซึ่งให้รู้เท่าทันความจริงว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันตามสภาวะของธรรมชาติเช่นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเอง เราจะเอาความยึดมั่นถือมั่นของเราไปกาหนดมันไม่ได้ตกลงว่าเท่าที่มีการกล่าวถึงหัวใจพระพุทธศาสนากันหลายแบบหลายแนวนั้นทั้งหมดก็เป็นอันเดียวกันซึ่งในที่สุดหลักใหญ่ที่ครอบคลุมก็คืออริยสัจสีนี่แหละไม่ไปไหนที่พูดมาในตอนนี้ทั้งหมดก็เป็นการแยกแยะและเชื่อมโยงให้เห็นชัดลงไปว่า หลักหัวใจพระพุทธศาสนาที่พูดกันหลายอย่างนั้นที่จริงก็อันเดียวกันต่างกันโดยวิธีพูดเท่านั้นและขอย้าว่าอย่ามัวพูดว่าอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้ขอให้จับหลักลงไปให้ชัดและปฏิบัติให้มั่นให้เด็ดเดี่ยวแน่ลงไปอย่างที่ว่าแล้วข้างตน้น